ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายประสูตรที่จะกล่าวในวันนี้ก็คงเป็นมงคลสูตรหรือมงคลแห่งชีวิตในตอนต่อไปการแสดงมงคล น, นั้นทรงแสดงเป็นชุดๆเป็นโดยลำดับและมุ่งพัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากบุคคลไปจนมาถึงครอบครัวอย่างที่กล่าวแล้วในวันก่อน เมื่อบุคคลเป็นครอบครัวแล้วคือมีการเลี้ยงดูมารดาบิดาสงเคราะห์บุตรพัญยาจนสามารถทำการงานไม่ให้ข้างๆอากูลและครอบครัวก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีแล้วแต่เนื่องจากพระพุทธศาสศาสนายอมรับถึงสมบัติทั้งสองอย่างว่าสมบัติที่เป็นวัตถุภายนอกนั้น เป็นเรื่องที่คนจะต้องใช้ความมั่นขยันในการแสวงหามาแต่ในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองด้านคือในชีวิตปัจจุบันและเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อตนเองในสัมบราพภพภายภาคหน้าดังนั้นตอนต่อมาจึงเริ่มที่การขัดเกลวการสร้างอัจฉริยะเมตรีของต่อ บ, บุคคลอื่น คือเราจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็เริ่มด้วยดานันจะธรรมะจริยาจะยาตะการันจะสร้างกะโคอนวัชานิกรรมานิเอตมังกะรมุตตมัง ร, รวมเป็นมงคลสี่ประการคือการให้ทานหนึ่งการประพฤติธรรมหนึ่งการสงเคราะห์ญาติหนึ่งการงดเว้นจากกรรมที่มีโทษหนึ่ง ถึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าบุคคลจะต้องเพิ่มพูนอัธยาศัยเมตซีขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นการพัฒนาจิตใจให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการสรงเคราะห์นุเคราะห์แก่ บ, บุคคลอื่นอาการให้ทานนั้นเป็นธรรมะที่ปรากฏอยู่ทุกคนทุกแข่งเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามงดธรรมมากๆ แต่ถ้าระดับพื้นฐานทางสังคมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องฐานเอาไว้ลักษณะาทางสังคมเป็นเช่นนี้เองคนมีกำลังมากคนมีกำลังน้อยมีทรัพย์มากมีทรัพย์น้อยมีรื้อแรงมากรืยอแรงน้อยสติปัญญามากสติปัญญาหน่อยแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไปอยู่ในสังคมเดียวกันมีคุณสมบัติพิเศษกันคนละอย่างแล้วก็มีจุดอ่อนด้อยกัน หลายๆอย่างถ้าหากว่าสังคมได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็จะสามารถให้แต่ละคนอยู่ดีมีสุขได้การให้ทานที่ทรงแสดงไว้นั้นจึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นทานที่ให้เพื่อต้องการบุญเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งหมายองการให้ในลักษณะสงเคราะห์นุเคราะห์แก่คนอื่นสัตว์อื่น ผู้ประสบความถูกและควรแก่การได้รับการสงเคราะห์จากบุคคลเหล่านั้นที่มีกำลังพอจะสงเคราะห์ได้มันก็อยู่ในเงื่อนไขประสมควรก้อนี้เพิ่งเข้าใจว่ากุศลชั้นทานนั้นแม้จะเป็นการแสดงไว้ในที่ตัวทั่วไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเสมอไปไม่ การจะทำหรือไม่ทำก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขไปในตัวของเราเองเป็นประการสาคัญแล้ว้อที่ทรงสอนให้และลึกเอาไว้เสมอก็คือกำลังทรัพย์กับกำลังศรัทธาหรือกำลังของเมตตากรุณาในกรณีที่จะสงเคราะห์บุคคลอื่นเรามีพอที่จะแสดงออกได้ไหมถ้ามีพอก็แสดงออกไป แล้วก็พัฒนาในชั้นของการให้ขึ้นมาโดยลาดับในรูปที่เป็นบุญคือเป็นคุณด้วยเป็นบุญด้วยและทรงเชีย่ยเห็นว่าการให้ทานด้วยทานวัตถุคือสิ่งที่เรานํามาให้นั้นเช่นข้าวน้ําเสื้อผ้ายานพาณะที่อยู่ที่อาศัยดอกไม้ของหอมไปที่ต่างๆเป็นต้นเราเรียกว่าทานวัตถุ แต่สิ่งที่นํามาให้นั้นในกรณีที่ต้องการให้เป็นบุญด้วยก็กําหนดเอาที่วัตถุเป็นประการสําคัญเหมือนกันประการให้อยากใ ห, ให้ให้บางอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นทานเช่นการให้สุรารการให้ธาตุการให้อาวุธเป็นต้นเราต้องการให้ยาพิษให้เครื่องประหารในรูปแบบต่างๆเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกื้อกูล แกบุคคลอื่นแต่ว่าจะนำไปใช้ในทางทำลายล้างบุคคลอื่นแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แกบุคคลอื่นแต่สิ่งที่ให้จะต้องมีลักษณะเกื้อกูลขึ้นอยู่กับว่าเกื้อกูลแกใครอย่างที่ทรงแสดงทา น, นวัตถุไว้ว่าอันนังปานังวัดทั้งยานางมาลา ก, กันทางวิเลปานางังอันนงก็คือการให้ข้าวปานังก็คือให้น้าดื่ม เรื่องน้ำดื่มนี่ก็ก็คำดีนะฮะคือคือเรามีคำเรียกว่าบาลีไทยอยู่อย่างหนึง่งรู้สึกจะเป็นคำอะไรถวายข้าวพระในอุตการบารังนะโดยใช้อุตการอุตการนี่น้ําคลองธรรมดานะฮะก็พูดถึงน้ําธรรมดานะฮะพอดูแล้วก็รู้ว่าบาลีชาวบ้านนะไม่ใช่บาลีวัดจะ เ, เขียนกันขึ้นเดงแต่งกันขึ้นเองถ้าน้ําดื่มก็เรียกว่าปานังหรือปานีอย่าง เรว่าน้ำที่ควรดื่มหรือน้ำที่ใช้ดื่มโดยเฉพาะแต่ว่าเ ว, เวลาให้ทานจริงเราก็อาจจะให้น้ำอย่างอื่นคือน้ำอาบหรือใช้ในกิจการเราอื่นก็ได้อย่างเช่นที่ท่านเล่าถึงบาะบุคคลบางคนให้แม้แต่ดินแต่ว่าเมื่อมีกุศลเจตนาหรือกลายเป็นการเลื่อกูลแก่ผู้รับในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นทานวัตถุได้ แต่บางอย่างอย่างพวกมาลากันทางวิเลปนังมาลาก็ของหอมกันไอมาลาก็เครื่องประดับดอกไม้ต่างๆการทางก็ของหอมต่างๆไอเครื่องหอมต่างๆแล้วก็วิเลปนังก็เครื่องรูปร้ายต่างๆซึ่งอาจจะเป็นยาอาจจะเป็นเครื่องรูปร้ายให้เกิดความสวยงามและเกิดมีกลิ่นหอมก็ตาม แล้วก็คือกูลแก่ใครก็ให้ในกรณีนั้นนี้พวกนี้ก็ถือเป็นธานุวัตถุจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องนุ่งห่มเป็นต้นก็ยังอยู่ในกลุ่มของฐานุวัตุให้โดยจิตคิดอนุเคราะห์คือต้องการจะสงเคราะห์เขาไว้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหรือให้เพราะความสํานึกคุณเกิด ค, ความศรัทธาเลื่อมใสแล้วให้กําำนวยประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย การให้ในกรณีนี้แสดงไว้เป็นขั้นตอนคือแม้แต่ตั้งสัตว์ดีดีฉานขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วปุถุชนที่คนทุศีลคนเลวซามยังไงก็ตามก็ให้แล้วมันก็มีบุญกุศลทั้งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นให้แก่สัตว์ดีดีฉานให้แก่คนทุศีลให้แก่คนที่ามีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างแล้วก็ให้แก่ผู้ที่มีศีลที่ลดหลั่นกันขึ้นไปจนถึงเป็นสังฆทานในที่สุด ที่ว่าให้แกเรียกว่าอุปตโตูสวงมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานคือตวายสังฆทานที่มีพระสงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้ก็เป็นการให้ที่เรียกว่าสมบูรณ์จนมาถึงชั้นที่เป็นสังฆทานสังฆทานเราก็มีปัญหาอยู่รู้สึกว่าในปัจจุบันก็มีปัญหามากขึ้น สังฆทานในความหมายจริงๆนั้นถ้าก็จำแนกเป็นสองฝ่ายนะรเรียกว่าปาติปุกกลิกทานคือการให้โดยเจาะจงบุคลคลคาว่าปาติปุกกลิกทานไม่ได้หมายความว่าให้แก่คนคนเดียวอาจจะเป็นร้อยเป็นพันก็ได้แต่ก็เจาะจงเจาะจงบุคคลนั้นบุคคล น, นี้อย่างชาวบ้านนิมนต์พระไปเพื่อให้สังฆทาน จะไปเจาะจงสมเด็จเจ้าคุณนั้นเจ้าคุณนี้พระครูนั้นพระครูนี้ mm hmm. ก็ไปสักสิบองค์ยี่สิบองค์มานดูแล้วก็พระแยะยงกันแต่ในชั้นของเจตนายัางเป็นปฏิปุคกรกมคือเจาะจงซึ่งเป็นบุญประเภทหนึ่งที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเหมือนกันเหือนชั้นก้อนฐานาน้มัยที่เสียให้ประโยชน์แก่ผู้บำเพ็ญบุญเหมือนกัน แต่เมื่อมาเที่ยวกะสังกทานที่ใจไม่รู้สึกจำแนกแบ่งแยกอะไรคือต้องการให้อุทิศสงเป็นการบูชาต่อพระสงฆ์พระสังฆรัตนะเป็นที่ตั้งนะฮะสุปฏิปโนชุปฏิปโนที่สวดเนี่ยคนที่สงสงมาให้หรือพระที่สงส่งมาให้นั้นจะเป็นพระเล็กพระน้อยบวชวันนี้ก็ได้หรือบวชบวชใหม่ใหม่ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไร แต่ทำใจสงบอยู่ไม่เกิดโทมนัสเสียใจเกิดความคับแค้นใจมีความสบายใจภาคภูมิใจที่สงสงมาให้แล้วก็ให้เป็นการสงอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานเป็นการอุทิศสงโดยไม่ได้เจาะจงท่านรูปใดรูปหนึ่ง น, นีในในกรณีที่ขึ้นมาโดยลำดับจึงจะเห็นได้ว่า พุทศาสนาแสดงในเชิงของความเป็นเหตุเป็นผลการให้ทานนั้นเป็นธรรมะของโลกไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแสดงออกไปคือมีตั้งแต่โลกมีคนมาแล้วเป็นเรื่องบุญกุศลที่ทรงแสดงไปตามเหตุตามปัจจัยจ็หมายความว่าต้องประกอบทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ให้ผู้รับมีความสมบูรณ์ผลกุศลก็เพิ่มขึ้น เพราะเป็นเรื่องของการเข้าถึงใจมันพัฒนาใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายด้วยแต่ทุกชั้นนั้นก็ถือว่าเป็นบุญที่ลดหลั่นกันลงมาคือลดหลั่นกันขึ้นไปนะจนถึงจุดสูงสุดแบ่งเป็นส่วงจำแนกแสดงไว้ในทักกีนาวิพังกสูตรมีจนถึง12 12ชั้นด้วยกันคือ12ประเภทคนที่รับของด้วยกันอย่างจำแนกเป็นวัตถุเป็นบุคคล ไปอีกหลายอย่างผลทานที่ถือว่าเป็นอุดมมงคล น, นั้นเราก็เห็นกันง่ายว่าคนที่ให้ทานเป็นที่รักของคนเป็นนั้นมากทำให้มีบริวารมากมีคนคบหาสมาคมมากเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้เข้าไปในสมาคมใดกงอาจกระหาร แล้วไม่หลงทำการลักรยาทำการลักรยาไปแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติซึ่งเรื่องนี้อย่างที่เคยเล่ามาในพวกวิมานวัตถุท่านจะเห็นว่าในวิมานวัตถุทั้งหมดนั้นตามปกติเรื่องที่ท่านนำมาเป็นเรื่องพื้นพื้ น, นธรรมดาธรรมดามีพระรมีเทพประบุเทพธิดาไม่กี่ท่านที่เป็นพระรยะบุคคลซึ่งนั่งก็แน่นอนอยู่แล้ว แต่ตัวการสำคัญในการให้ทานที่จะให้เป็นบุญแลเป็นมงคลแล้วก็เป็นคุณนั้นเคยเป็นครบสามอย่างนีจะต้องเกิดความศรัทธาเรื่องใสในทานนั้นในการกระทำอันนั้นเรียกว่าทานกรรมกรรมคือการให้ทานนั้นคุณภาพของจิตบุคคลไม่มีความเปลี่ยนแปลง สังก่อนให้ขณะให้หลังจากให้คือประกอบด้วยกุศลอยู่ด้วยไปแต่ข่ายผู้รับก็ไม่มีปัญหาในด้านศีลด้านธรรมะผลในสงที่เกิดขึ้นจากการให้ก็จะมีมากองประกอบเหล่านี้อย่างที่เคยพูดไว้นานมาแล้วว่าองค์ประกอบใหญ่ถึงก็มีคนประสบในสมัยพุทธกาลอยู่เพียงเพียงหกท่านเท่านั้นเองที่เรียกว่าสัมปทาคุณสี่ ไอ้จังหวะที่จะให้บังเอิญอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยากแม้ยุคที่มีพระอาหารหันต์อยู่ก็ตามคือก็เรียกว่าวัตถุสัมปทาผู้รับสมบูรณ์ด้วยคุณตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปปัจญาสัมปทาสิ่งที่ได้มานั้นเป็นการได้มาในทางสุจริต จ, จริงๆคือสิ่งที่เราเอามาให้และเจตนาสัมปทาเจตนาทั้งสามการังกล่าวบริสุทธิ์หมดจดุด แล้วก็ให้แก่ท่านที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆนั้นก็ประเภทสมบูรณ์อย่างที่บอกว่าบังเอิญขนาดนี้ไม่ค่อยเจออะในสมัยพุทธกาล45บปีมีคนเจออยู่เพียง6กคนเคยจังหวะจะสอดคล้องเข้าทีเดียวตั้ง4องค์เนี่ยหาได้ยากทีนี้ผลของทานที่เกื้อกูลแกตนในปัจจุบันนั้น แล้วข้อนี้ถ้าบุคคลให้ทานคอยสังเกตติดตามถึงผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนแล้วก็สืบสาวไปถึงต้นต่อของเหตุอย่าไปมองเหตุจากภายนอกก็เย็นว่านั่นคือผลของทานที่ตนให้ไว้ดีแล้วในชาติปัจจุบันนี้เองเป็นผลที่ออกมาในรูปของอายุวรนาสุขะพละ ออกอาจจะออกมาในรูปอายุก็ได้ถ้าให้สิ่งที่เป็นเหตุแต่งอายุเช่นบางครั้งบางคราวคนที่เรียกว่าอะไรจะตาขาดแต่ว่าไปทําบุญในการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ชีวิตเกษตรอื่นปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์อายุบังเกิดเปลี่ยนไปได้กอายุเกิดยืนไปได้ไม่ตายในเวลาที่มีการกําหนดเอาไว้ นี่ก็แสดงว่าเป็นการให้อายุให้วันนะให้ความสุขให้กำลังกายกำลังใจสังเกตออกมาในลักษณะนั้นกระรวมถึงทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นที่มีรูปมาแปลกๆส่วนอานิสงในภายภาคหน้านั้นก็แสดงไว้เป็นนั้นมากที่ให้บุคคลประสบขนทาน เมื่อวานี้มีคนก็ส่งเอกสารมาให้คือพระจากเมืองชนท่านส่งมาให้ก็เล่าถึงผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ก็มีชื่อเสียงแต่ว่าท่านรู้สึกจะท่านคงตายไปไม่กี่ปีเนี่ยคือก่อนที่ท่านจะดับจิตนั้นท่านเรียกหาหลานชายท่านเสียดายหลานชายนั้นไม่ได้มาอยู่ด้วยอยากจะให้ดูสวรรค์อยากจะดูสวรรค์วิมานลูกชายนั้นไม่คุ้นเคยกับเรื่องทางาศาสนาฟังแล้วไม่รู้ ก็หมายถึงอะไรแกก็เขียนบันทึกเอาไว้ว่าก่อนจะดับจิตพ่อก็เรียกหาล้านชายเพื่อให้มาดูสวรรค์วิมานกับท่านลูกชายก็ยืนยันว่าเขาก็มาแล้วท่านบอกไม่ใช่คืออยากจะให้ดูตอนนี้ทิ่มาก่อนนะท่านก็รู้แล้วอนนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่เคยบอกว่า เ, เงื่อนไขส่วนนี้เป็นส่วนของอาสนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตาย อันปรากฏเป็นกรร ม, มารมณ์กรร ม, มนิมิตาม ต, มตารมณิิมิตตารมณ์คือกรร ม, มารมณ์ก็ได้แก่ความดีความชั่วที่ตนกระทําเอาไว้ในอดีตนั้นก็มาปรากฏในมนโนทวารวิถีคื อ, ค, อคือทางของจิตแล้วก็แต่กรรมเหล่านั้นก็ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลยเช่เคยทําอะไรเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบําเพ็ญภาวนาเคย สร้างโบสถ์ผ้าตั้งโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนอะไรแต่ไหนเนี่ยภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นแล้วก็บ่งคติคือทําให้เห็นสวรรค์ในขณะนั้นเป็นการเห็นส่วนตัวของท่านเพราะเป็นเรื่องเกิดเาพาะท่านก็กล้ย ๆ, ๆกับที่ประจักษ์สุแต่นี้เป็นการสําแดงของผลบุญคือถ้าไม่ได้ที่ประจักษสุขเรเป็นการสั่นสัมแดงของผลบุญที่ทแสดงว่าชีวิตของบุคคลประเภทนี้ เหมือนกับเราเหยียบอะไรคือคือคู่สองสองข้างอ่ะคือเท้าขวากับเท้าซ้ายมันอยู่คนละด้านคือเท้าหนึ่งก็อยู่โลกนี้แต่อีกเท้าหนึ่งมันอยู่ปราโลกเป็นการมองเห็นทั้งสองโลกตามต้ควรแก่กรรมของท่านนะก็กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ ก, รรว ก, ก็ไม่รู้แต่ว่าในกรณีนี้พูดถึงกรรมดีก็ปรากฏออกมาเป็นรูปอย่างนั้น การชั่วก็ปรากฏออกมาเป็นรูปอย่างอื่นยแสดงรายละเอียดไปมากเรื่องการให้ทานจึงเป็นธรรมะระดับสังคมที่บุคคลจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นระดับของบุญที่เรียกว่าทานมยเป็นระดับของบารมีคือการเก็บการสะสมความดีเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจเพราะคนเราถ้า ไม่เริ่มที่การเสียสละอะไรคือ ต, ตัวเองสละอะไรไม่ได้ต่อไปมันก็จะเหนียวก็จะหนืดคือทำความดีในส่วนอื่นไม่ได้เนื่องจากกิเลสประเภทที่ครอบงำใจบุคคลอยู่นานและก็มากก็คือคือกิเลสสายโลภะก็อยู่นานและก็อยู่ได้มากแลก้วคนก็เพลิดเพลิน อ, อยู่ในกิเลสสายนี้จะทาให้ มีการกำหนัดยึดติดอย่างที่ท่านบอกว่าเหมือนกรลิงติดตังแต่ถ้าบุคคลเริ่มผ่อนคลายให้ไปได้เรื่อยๆต่อไปจิตใจมันกว้างขวางขึ้นมันเข้มแข็งขึ้นคล้ายๆกับเราฝึกบริหารร่างกายยกของอะไรทํานองนั้นเนี่ยฝึกฝึกๆไปยกของน้าหนักสูงขึ้นสูงขึ้นนานมาแล้วทีเคยเล่าฟังว่าเด็กคนหนึ่งแกอุ้มอุ้มลูกวัวตั้งแต่เกิดอ่แกอุ้มได้จนเป็นวัวถึกแล้วก็ยังอุ้มได้เพราะอุ้มอยู่ทุกวันมันเป็นความเคยชิน เป็นปกติสมัครแกแต่ไม่ปกติสมัครบุคคลอื่นคนอื่นมาเริ่มต้นในหม่ใหม่ก็ทําให้ได้หรือเหมือนกับพวกฝึกยกน้ําหนักที่ชิงแชมป์โลกอะไรโอลิมป์โอลิมปิกอะไรเนี่ยเออพวกนี้มันก็ยกน้ําหนักได้น้อยมาก่อนนะยกต่อเนื่องยกกันไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยความแข็งแกร่งและร่างกายก็สูงขึ้นเรื่อยแล้วก็ยกของหนักขึ้นได้เรื่อยๆด้านจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเริ่มต้นที่เป็นกุศลมันก็เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับ ก็ทําให้ปริมาณของกุศล ส, สูงขึ้นและจะออกมาในด้านอื่นอย่างที่เคยบอกว่าทานที่เป็นการให้วัตถุนี้เองสายของกายเองก็สลายพวกกิเลสสายโลภะแต่ว่าพอให้ไปให้ไปมันเกิดสลายสายโทสะด้วยเราสามารถที่จะให้อภัยแก่บุคคลอื่นได้ในจริงอภัยนั้นเป็นเกณฑ์การแก้กิเลสสายโทสะ แล้วก็สามารถอดทนได้แล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานได้ซึ่งเป็นการกระจัดสายโมหะอีกตอนหนึ่งมันก็เริ่มจะกแก้ที่สายโลภะไปการให้ทานจึ ง, งส่งแสดงว่าเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งที่มุ่งในการพัฒนาจิตใจนะมุ่งในการพัฒนาจิตใจของบุคคลด้วยและเป็นการสร้างมิตรไมตรีภายในสังคมด้วยคือได้ผลทั้งสองต่อทั้งในชาตปิปัจจุบันได้ายภาคหน้าได้ออกจากออกนอกครอบครัวไป ประการต่อไปเป็นธรรมจริยาธรรมจริยาก็คือการประพฤติธรรมซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเมื่อก่อนจริงๆหลักสูตรการศึกษาของเราเราใช้คําว่าธรรมจริยาปัจจุบันนี่ก็ใช้คําว่าจริยธรรมและจริยาศึกษาซึ่งเป็นภาษาทางวิชาการที่ไม่ใช่ภาษาในพระพุทธศาสนาเราก็นํามาเชิดชูกันคือเราก็ชอบเชิดชไไไูไอ้ที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนานฮะมันก็แปลกดีเอ่อ อะไรอุบาสกะ ร, รัตนสูตรที่เคยบอกว่าคือสแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาเช่นอะไรที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอย่างพิกษุนีแม่ชีก็เรียกว่าสังคณีสังคนีไม่มีภาษาบาลีเขียงกันเองแล้วก็บังสาวิรัตนี่คำนั้นไม่มีภาษาบาลีไม่มีบังสาวิรัตมีมัชชาวิรัตน่ะมีเจตนาวิรัตสัมปัติวิรัตสมุเฉตวิรัตมัชชาวิรัตน่ะมี แต่ว่าบางสาวิษฐ์ไม่มีเรียกว่าบาลีปลอมนะฮะลากขาวัดอาจจะเจ๊ยเราก็ชื่นชมกับไอ้คำที่เนี้ยคําที่ไม่ใช่พุทธวัจนะกันเนี้ยไอ้ของที่เป็นพุทธวัจนะไม่ค่อยชื่นชมกันเท่าไหร่ก็คําีเองกันเรียกว่าอะไรกากเกลือกินด่างก็ด่างมากินได้เลยขี้เกียจกินเกลือเอ่อธรรมชาิยานั้นแปลว่าการประพฤติธรรม ไอจริยธรรมหรืจริยศึกษานั้นเป็นข้อเสนเอแนะนะฮะว่าธรรมที่ควรประพฤติหรือธรรมที่พึงประพฤติแล้วเราก็มาชื่นชมกับคำซึ่งไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าธรรมจริยาเป็นอุดมมงคลประการสําคัญถ้าจะถามว่าธรรมจริยาคืออะไรธรรมจริยาคือกุศลกํามบทสิบนะฮะท่านาหลายได้โปรดสังเกตว่าพระสูตรที่บรรยายมาจนถึงเก้าสบเ้าครั้งแลเนี่ยฮะเจอกุศลกําบทสิบยันเรื่อยที่สุดเลย ไม่ใช่ามาว่าเองนะพระพุทธเจ้าว่าโดยอธิบายพระเสกพระสูตรของพระพุทธเจ้าธรรมจริยาก็คือการประพฤติธรรมได้แก่การประพฤติตามกุศลกรรมบท10ประการกุศลกรรมบท10ประการดูแล้วไม่มากนะฮะแต่ว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งปวงไว้เรื่ออาจจะเราพูดวป็หลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาถ้าทำให้สมบูรณ์ในกุศลกรรมบทสิบประการก็ชื่อว่าสมบูรณ์ ท่านลองมองว่าธรรมที่เราปฏิบัตินั้นก็คืออริยะมรรคมีองแปดประการนะฮะอริยมรรคมีองแปดประการเกี่ยวข้องอะไรกับกุศลกบฏสิบประการคือคกบบุศลกบฏด10ประการเคยพูดมาเยอะแล้วได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมแต่ได้โปรดสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายไม่ได้ใช้คําเท่านี้นะฮะ แต่ใช้คําขยายในกรณีของการไม่ฆ่าสัตว์งดเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีสัตราวางแล้วมีอาวุธอันวางแล้วมีเครื่องประหารนั่วางแล้วมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายแดีวมันเดินเปลี่ยนแปลงมาถึงจิตนะเปลี่ยนแปลงมาถึงจิตเพราะงั้นพอออกมาในรูปพฤติกรรม ไม่ได้หมายถึงการฆ่าอย่างเดียวแต่หมายถึงการไม่ทรมานไม่ทรก ร, รมไม่ทาสัตว์อื่นให้ลาบากไม่ใช้แรงแรงงานสัตว์ที่เกินไป ต, ตลอดที่เอาสัตว์มาพะจนกันแม้แต่พยาบาทในสัตว์จะไม่มีไม่เริ่มจะหยุดเดียวเท่านั้นเองเพราะรักทราบก็เหมือนกันนะัรักทราบเวลา ทรงแสดงเองมันเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งจะเป็นศีลเป็นข้อห้ามไปก่อนแล้วก็พัฒนาจิตเป็นเรื่อยๆจนถึงไม่มีแม้แต่ความโลภในทรัพสมบัติของบุคคลอื่นเพ่งเล็งโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเงินทรัพย์นั้นจะอยู่ในป่าในบ้านหรือทรัพย์อะไรก็ตามของเขาตกหล่นเขาวางเอาไว้ก็ไม่ลักไม่ขโมยแม้แต่ว่า เห็นของเขาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมถึงกับไปจับต้องลูกครามอยากได้ปรารถนาพอใจในไรตัวอะไเนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตไปเรื่อยๆยซึ่งในบางกรนีจะเห็นว่ามันไม่ถึงกันรับอะรักหรอได้พูดเรียบเคียงพูดเรียบเคียงก็เรียกเรียบเรียบเคียงเคียงถ้าเขาให้ก็เอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของโลภะเหมือนกันแต่งแง่ของศีลพระแล้ว ถือว่าเป็นก็เรียกว่าอเนสนาคือการสแสวงหาที่ไม่ชอบธรรมแต่สมับชาวบ้านยังไม่ปรับเป็นศีลนะฮะคือยังไม่ผิดศีลแต่ถ้าพระแล้วก็ถือว่าผิดศีลเพราะแล้วก็เป็นอาทินนาทานเรียกโวหารก็อาทินนาทานอีกแนวหนึ่งความโลภเกิดขึ้นมากพอสมควรจนถึงก็คุมปากไปไม่ได้ก็ไปเรียบเคียง เพื่อต้องการจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลอื่นบางทีก็ใช้โหารปฏิพันธ์เอาอะไรเนี่ยก็เป็นการผิดในกุศลกบดเหมือนกันก็ขายกุศลกบดจึงครอบคลุมยะในข้อการเมสุสมิชาจารย์เองก็เหมือนกันจะเดินไปเรื่อยๆจนครอบคลุมผู้หญิงยี่สิบประเภทนั่นก็หมายความว่าผู้ชายก็ยี่สิบประเภทด้วย ตกลงว่าการเกี่ยวข้องทางเพศจะมีได้เฉพาะสามีพัญญาเท่านั้นในเรื่องอื่นมีไม่ได้นั่นก็คือขั้นของการละเมตดทำไมในด้านมุมุสาวาทก็มีลักษณะอย่างนั้นกันจะเดินไปเต็มจุดเต็มชี่จนกลายเป็นรัษาสัจจะบางครั้งบางคราวแม้จะต้องเสียสละอะไรไปก็ไม่ยอมเสียสัจจะที่ ตัวให้ไว้ที่ปฏิญาณไว้นั้นก็คือการเดินของกุศลกบฏที่นี้เดินจริงๆนั้นตัวการเดินก็กุศลกบฏสิทธิ์นะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักท้าบไม่พิพิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดกามหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอ้อเจ้อเหลวไหลไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามทํานองของทําตัวการจริงๆจึงมาอยู่ที่ที่สมข้อข้างล่างแอ้ตัวการจริงๆมัน ก, ก็อยู่ข้อสุดท้ายนะฮะ ตัวการจริงก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิก็สุดท้ายดังนั้นถ้าจะเห็นว่าพอเราไปเรียงเข้ากับกุศลกรรมไม่ใช่กับอริมักมีองค์แปดอริมักมีองค์แปดเจ็ดข้อข้างต้นนะฮะก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาจีวะไอสามข้อข้างปลายก็คือสัมมาอีกห้าข้อนะฮะสามข้อข้าง ข้างปลายก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาทิสัมมาทิติสัมมาสังกัปปะสัมมาทิติก็คือสัมมาทติสัมมาสังกัปปะเวลาปฏิบัติเองเละจะดึงตัวเองเข้าไปผสมผสมผสมกลมกลืนกับอริมากเองดังนั้นจึงเจอธรรมะเจริยาหรือเจอกุศลกำบดบ่อยๆเป็นการแสดงดูแล้วก็ไม่ค่อ ย, อยไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่แล้วข้อนี้ที่เคยเล่าให้ฟังว่า บุคคลสามารถเลือกพบที่จะเกิดได้ในสังคารูปปฏิสุทธิ์บุคคลสามารถเลือกพบที่จะไปอุบัติตามความปรารถนาได้อย่างอย่างท่านท ร, รมิกาอุบาสกที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังมาว่าก่อนที่ท่านจะตายนั้นคตินิมิตคือปรากฏหมดุดเป็นสวรรค์ทุกชั้นนะเป็นสวรรค์ทุกชั้นต่างคนต่างก็ต้องการให้ท่านไปไปสู่สวรรค์ของท่าน แล้ท่านก็บอกให้ลูกว่าเวเนี้ยมีเทพเจ้ามาเชิญไปสู่สวรรค์ของท่านทุกชั้นลูกก็ไม่เห็นแกก็บอกว่าให้เอาพวง ม, มาลายมาแกจะอธิษฐานไปแล้วก็ถามถามลูกว่าควรจะไปเกิดที่ไหนดีลูกก็บอกว่าไปดูสิทธิ์เพพาะมาใจดูสิทธานีโฮเทล น, นะไปดูสิทธิ์สวรรค์เออบอกให้ไปสวรรค์ชั้นดูสิทธิ ทา่านก็อธิษฐานให้พวงมาลัยนั้นไปเกี่ยวรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็คนก็เห็นแต่วพวงมาลัยคนอื่นเห็นเฉพาะพวงมาลัยเป็นลอยอยู่กลางอากาศแต่ก็ไม่เห็นรถเหล่านั้นนี้เพราะอะไรเพราะท่านสมบูรณ์ในกุศลกบด10ิระดับระดับธรรมจริยานะฮะระดับธรรมจริยาไม่ใช่ระดับสูงเพราะกุศลกบด10ิระดับสูงก็คือเป็นประยะบุคคลไปเลยถ้าระดับเต็มที่ของเขานะฮะ ดังนั้นจุดนี้ก็เป็นอุดมงมงคลที่แน่นอนแล้วก็ทาให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคือคำว่ามนุษยธรรมที่เราเคยสับสนกันอยู่คือเราสรับสนอยู่สองเรื่องนะฮะแล้วก็แพร่หลายบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาไปพูดกันท่านบอกมนุษยธรรมนั้นคือศีลห้าที่จริงไม่ใช่ศีลห้ามนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทสิ อีิแดงไว้ชัดเจนเลยบาลีบ่งไว้ชัดมากบอกว่าดัะาากุศลกรรมปถามนุสธรร ม, มานามะกุศลกรหนดท1บชื่อว่ามนุสธรรมแต่แน่นอนก็รมุมศีลห้าไปด้วยมนุสธรรมมนุษธยธรรมคือตัวมนุษย์ประการสำคัญคือใจสูงและเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลคือสามารถใช้ผลได้ก็รรได้แก่หลักของสมาธิซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในกุศลกำหนดสิ แตกการประพฤติในกุศลกำหบดสิบประการชั้นหนึ่งก็เป็นศีลนะฮะชั้นหนึ่งก็เป็นธรรม เ, เริ่มต้นที่ศีลเป็นการฝึกปลือควบคุมอะไรคือชั้นหนึ่งเรารักษาศีลชั้นหนึ่งศีลรักษาเราคือมันมันไปเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้อวกี่ข้อจะเดินจะเขินอย่างไร ทำนองเดียวเราฝึกเปลือขับอะไรขับจักรยานหรือทําทอะไรก็ตามนะฮะตอนต้นๆมันก็มีการเกรงมีการเครี ร, ร, ระมรัดระวังกันหน่อยแล้วพอเดินไปมันก็จะคุ้มครองตัวเองได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะเกื้อกูลแก่เราเองในชั้นการปฏิบัติธรรมจิรยาก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมจริยานั้นแน่นอนแต่ละข้อนั้นมีผลในแต่ละจุดคือสูงกว่าทานไอการให้ทานในตอนต้น แต่ละข้อเขาก็มีความดีเขาโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งนะแต่เมื่อสรุปแล้วก็เป็นธรรมจมิจรยาที่อาศัยความเห็นชอบเป็นฐานให้บางเกิดขึ้นแล้วก็ออกมาได้ทางกายทางวัจาทางจิตใจต่อไปก็การสงเคราะห์ญาติกรรมญาติโดยเชื้อสาย ท่านนับอะไรเจ็ดชั่วโคตรคือนับขึ้นข้นขางบนสามนับลงข้างล่างสามเอาเราเป็นฐานนะฮะเอาเราเป็นฐานกลางเขาเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตรคือขึ้นข้างบนอะไรปู่ทวดปู่ทว ด, ป, วดปูพ่อนะฮะลงข้างล่างก็ลูกหลานเลนนะจะถึงลืล่วก็ลื่อเอานี่ก็เรียบรวมเรียกว่าญาติ การสงเคราะห์ญาติเป็นธรรมจริยาคือเป็นเป็นอุดมมงคลอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเองทรงเป็นแบบอย่างในการสงเคราะห์ญาติ ท, ทั้งหลายจะพบว่าพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ทำอะไรคือคือว่าการกระทาของพระองค์ไม่เป็นบุญที่จะต้องรับผลอะไรเป็นเพียงกิริยาแต่ว่าการปฏิบัติภารกิจของพระองค์กับพระญาตินั้นคือ ทำเต็มที่ในฐานะเป็นราชโอรสของราชกุลศักยะทำงานช่วยเหลือพระญาติทุกอย่างทุกด้านแล้วก็ทำในลักษณะที่เป็นคนครอบครัวเดียวกันอย่างพระญาติผู้ใหญ่เช่นพระพุทธบิดาที่วงศ์คตก็ทรงมาเป็นเจ้าภาพเองจัดการพร ะ, พระถวายพระเพลิงประสบเอง แล้วก็แนะนำชักชวนสั่งสอนพระญาติท่ามปรามพระญาติหาวิธีกหราบพระญาติก็สารพัดพระเจ้าช่วยพระญาติในสารพัดเลยเช่นว่าคราวหนึ่งพระญาติที่เมืองอัตุมาพระญาติของพระองค์อยู่ที่เมืองอัตุมาคือพวกนี้มันเพียเพ้ยนเพีะยนพระเจ้าก็หาทางที่จะดัดนิดสัยพวกนี้แต่ก็ มันก็ลําบากอ่ะจังหวะที่จะเทศจะพูดมันไม่เคยมีก็ทําให้ฝนตกเดี๋ยใช้ผู้ทานุภาพให้ฝนตกแล้วพระองค์ก็เข้าหลบฝนในที่ประชุมครับแล้วก็แกล้งเดินตัดเดินตัดหน้าที่ประชุมเพื่อให้พวกนั้นปราลบเรื่องขึ้นมาพวะนั้น ก, ก็พูดกันมังพวกนี้เขาไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมของสภาละ่ะพระเจ้าก็ได้ทาง ก็รับสั่งว่าสภาใดาไม่มีสัตบุรุษสภานั้นไม่ชื่อว่าสภาแล้วก็ชี้ลักษณะของสัตบุรุษที่เข้าสภาว่าคนใดพูดไม่เป็นธรรมคนนั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเพราะในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วสภาคือการประชุมอะไรก็ตามจะต้องประกอบด้วยคณะบุคคลที่เข้าประชุมเป็นสัตบุรุษแสดงออกมาด้วยการพูดที่เป็นธรรมนี่ก็สอนระดับบริหารนะครับเพราะว่าราชวงศักดิ์ยะเข้าเป็นการบริหารแบบ อภิชาติทิปไตยคือราชบงศักยะเป็นคณะผู้บริหารพระเจ้าก็สอนได้ทุกจุดเลยในการทำสงครามก็ไปห้ามปรามเอาไว้ในการประชุมสภ า, าก็ไปสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือทั้งโดยส่วนรวมแล้วก็โดยเฉพาะบุคคลทรงใช้เวลา น, านานจนถึงก็ พระญาติของพระองค์มีศีลห้าเป็นอย่างน้อยอแล้วศีลห้าไม่ใช่ศีลหธรรมดาศีลหน้าที่รักษาเข้าถึงใจจริงๆแล้วก็เห็นคุณค่าของศีลพร้อมที่จะเสียสละแม้ชีวิตของตนเพื่อรักษาศีลเอาไว้การสงเคราะห์ญาติจึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทุกรูปแบบเป็นยาตะถะจริยาคือจริยาที่ทรงธรรมเพื่อประญาติของพระองค์ประการหนึ่ง ในบรรดาจริยาทั้งสามประกันตอนเวลามาสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะสนับสนุนการสงเคราะห์ญาติโดยไม่มีอคตินะฮะมีข้อแม่อย่างว่าโดยไม่มีอคติเจะเป็นอะไรจะเป็นใครก็ตามเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ญาติพี่น้องของตัวเอง แต่ว่าที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้ามักเล่าเรื่องสัตว์ดิรกชันนการสมเพาะหญาตินีอาจจะดากคนได้ อ, อาจจะให้คนรู้สึกว่าเนี่ยสัตว์ดิเรกชันเนี่ยมันรู้จักสมเคราะหญาติก็ได้เล่าถึงสุนัขโพธิสัตว์เล่าถึงอิกาโพธิสัตว์จะเป็นเล่ามักเล่าเป็นสัตว์เึ่งเรื่องน่าแปลกมากเล่าเรื่องนอกแขกเต่าเรื่องอีกาโพธิสัตว์สุนักโพธิสัตว์เพราอมาถึงตอนนี้จะเล่าเรื่องสัตว์ เอามายัา ง, มงมองว่าคงจะเตือนให้คนได้คิดนะไม่เล่าเรื่องค น, นเล่าเรื่องสัตว์ถึงได้กันเ<笑>ว่าสัตว์ดิฉานยังมีอัธยาศัยเมต谛 ต, ตัวญาติของตัวเองนะฮะเช่นว่าสุนัขโพธิสัตว์ก็มีไอ้สุนัขของหลวงนะฮะมันไปกัดกลองไ อ, กอง้กลองกลองกลองของวังะฮะ เ, เสร็จแล้ว ทำให้ประชาชนกริว้วคนก็ไปกราบทูลว่าหมามากัดกลองกริ้วก็สั่งฆ่าสุนัขฆ่าสุนัขสุนัข ก, ก็หนีกันกระจเกจกระเจงไปหมดสุนัขโพธีศัสตร์ก็หาโอกาสเข้าไปพบประชาชนแล้วให้เหตุผลนะฮะว่าไอ้กลองมันก็อยู่ในนี้หมาข้างนอกมันก็ข้ามาไม่ได้แล้วหมาข้างนอกจะข่ามากัดได้ยังไง สุกเน่ให้พระราชาเอาอะไรชนิดหนึ่งนะให้สุนักขอ ง, ของพระองค์เองนั้นเอกินเสร็จแล้วก็สำรอกออกมาเป็นหนังสำรอกออกมาเป็นหนังก็เป็นการช่วยป้องกันความพิบัติที่จะมีแก่พวกญาติและกาโพธิสัตว์ก็มีปุโรหิตคนหนึ่งนะฮะแกเดินไป แล้พอดีตรงหัวพอดีอีกาก็ถ่ายจระ ล, ะลงบนหัวแกก็โกรธคือมันคนหัวรอดนะครับเพราะไปกันเป็นกบวนะคนก็หัวรอคนตั้งเยอะแล้วไม่ถ่ายลงไม่ถ่ายล ง, ยลงบนหัวตัวเองทีงนี้แกก็โกรธจะอาศัยอำนาจของพระราชานะฮะเพื่อจะขจัดกาให้หมดไปจากประเทศแต่พอดีไฟเกิดไหมโรงช้างหลวงก็ ไฟไปลวกเอาช้างปรหิตก็ได้ทางเลยคิดจะแก้แค้นกาก็ไปทูลพระราชาว่าไอเ น, นี้ยต้องรักษาด้วยน้ํามันกาน้ํามันก็อี ก, กาพระราชาก็สั่งล่า ก, กาหาน้ํามันไม่เจอน้ำมันไม่เจ อ, ม, ม, เจอมันเปลวของกานี่ก็กาพระโพธิศัตว์ต้องไปชี้แจงให้ ร, ราชาเข้าใจว่ากานั้นอยู่ด้วยความขวัญภวาตลอดคือว่าดระแวงวาดกลัวตลอ ด, อลอ ด, อลอดเพราะกันจึงไม่มีน้ํามัน ก็พระองค่ากาให้หมดทั้งโลกก็หาน้มันกาไม่ได้นี่เป็นการคิดร้ายต้องการจะแก้แค้นของผุ้รุ่หิตเพื่อเป็นการชี้ให้เห็นหรือว่านกนกแขกตาก็จะเล่าในทํานองช่วยญาติช่วยสงเคราะห์ญาติช่วยเลี้ยงนกแก่เท่าช่วยเลี้ยงลูกนกอ่อนอ่อนซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่าทุกเรื่องที่นำมาเล่าไม่ค่อยเล่าเรื่องคนเลยเล่าแต่เรื่องสัตว์ดีดีฉาสนั่นนั้น เรื่องอื่นยังเล่าเรื่องคนเรื่องทานเนี e um? ่ยก็เล่าเรื่องคนแบบธรรมจริยาเล่าเรื่องคนพะสงเพราะญาติเล่าเรื่องสัตว์ตัวเอกจะเป็นสัตว์ท oh. ั้งหมดก็คงจะให้สติคนเพราะแม้แต่สัตว์ดิเรกชานเองก็ยังรู้จักรักญาติของตัวเองสงเคราะห์ญาติตัวเองช่วยเหลือญาติตัวเองคนซึ่งถือตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีใจสูงก็ควรจะช่วยเหลือญาติของตัวเองเพราะการช่วยเหลือญาติตัวเองก็เป็นมงคล ดััจะพบว่าคำสอนในลักษณะนี้อย่างเช่นที่สอนออนางวิสาขาจงให้แก่คนที่ที่ให้ไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้นะฮะละข้อหนึ่งว่าจงให้แก่คน ท, ทั้งที่ให้และไม่ให้ให้แก่คนที่ควรให้นั้นก็คือคนที่หยิบยืมของไปก็ส่งคืนบหลังก็ให้ก็อีก ไม่ให้คนที่ไม่ให้คนที่หยิบยืมของอะไรไปแล้วไม่ส่งคืนก็อย่าให้อีกเราให้อีกมันก็หายอีกแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งจะให้หรือไม่ให้เราก็ต้องให้เขาอ่ะนั่นก็คือญาติก็จะให้หรือไม่ให้คือว่าให้แก่คน ท, ทั้งที่ให้และไม่ให้คือเขาจะคืนหรือไม่คืนก็เป็นญาติของเรานะครับจะดีจะชั่วมันเกิดมาแล้วมันจะทำยังไงตายไม่ตายขายไม่ขาดญาติเองก็ต้องสงเคราะห์กัน ตามสมควรแก่ฐานานรปูปแต่ต้องไม่มีอคตินะฮะเป็นการสงเคราะห์ในลักษณะที่ไม่มีอคติเพราะาอย่างในบ้านในเมืองเราบางทีก็สงเคราะห์กันจนเป็นอคติําเอียงเพราะญาติเราพี่น้องเราพวกเราอะแล้วก็อาศัยสถานที่ของรัชการหน่วยงานของบ้านเมือง มาตอบแทนบุญคุณญาติพี่น้องอะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกคือสงเคราะห์ส่วนของเราไม่ใช่ว่าไปเอาของหลวงมาสงเคราะห์เอาเงินของราษฎรมาสงเคราะห์เอารับสมัครมีการเล่นพักเล่นพวกญาติพี่น้องของตัวเองเข้าไปทํางานในกรณีที่เขาสามารถก็คือเขาสามารถนะแต่ว่าจะถูกต้องตามขั้นตอนจริงๆคือทุกคนมีโอกาสท่าเทียมกันในการแข่งขันเข้าทํางานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่ใชว่าเคร่งครัดจนถึงกับอะไรนะัประธานาธิบดีต่างประเทศคนเกิเป็นประธานาธิบดีเนี่ยพี่ชายไม่ได้อะไรเลยทั้งๆ ท, ที่เป็นคนมีผีมือกลัวเขาจะหาว่าช่วยญาติพี่น้องอันนี้มากไป ค, คือมันต้องต้องว่ากันตามตัวงานเราพูดตัวงานกันสงเคราะห์ก็สงเคราะห์กันไปในส่วนของเราแต่เรื่องงานก็คือเรื่องงานเราต้องว่ากันส่วนงานไม่ใช่ว่ากลัวก็จะตําหนิติเตียนแล้วก็ไม่ยอมช่วยอะไรเลยมันก็ไม่ได้มันเป็นโมหะคติ แต่ในขณะเดียวกันถ้าช่วยโดยไม่ดูตามาตาเรือก็เป็นชั้นถากติเจออันนั่นะอากติมันมีทั้งสี่ข้อาไม่ยุติด้วยธรรมจะต้องเจออากติข้อใดข้อหนึ่งการสงเคราะห์ญาติเป็นอุดมมงคลในชั้นของการดำรงชีวิตนะแล้วก็ในชั้นที่จะสืบต่อสกุลวงของตนให้ดำรงคงอยู่ ในลักษณะเหล่านี้เราต้องยกย่องคนจีนเขาในด้านการสงเคราะห์ญาติว่าคนจีนเขามีการสนับสนุนกันในหมู่ญาติ แ, ตแม้แต่แท้เดียวกันก็ติดตามสนับสนุนช่วยเหลือกันในส่วนอื่นเขาก็ส่วนอื่นแหละแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ออกจะสําคัญที่ทําให้คนจีนสามารถตั้งตัวในต่างบ้านต่างเมืองได้รวดเร็วเพราะเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่แท้เดียวกันคนไทยเราที่จริงก็ดีนะฮะ เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนที่เล็กๆนะก็รักใ่ากันดีแต่พ่าไปมีสามีปัญญาไม่รู้เป็นยังไงไปสร้างยุตธจักรตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยถูกกันเนี่ยคือหาพ่อไ อ, อหาหาพี่น้องที่ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนทําให้พ่อแม่เกิดความ ส, สบายใจนะั้นก็หาได้ยากการสงเคราะห์ญาติอะไรในปัจจุบัน เราบางทีก็ทําได้น้อยในกรณีที่นอกวิสัยก็คือนอกวิสัยแต่ถ้าอยู่ในวิสัยท่านก็สอนให้ทําเพราะว่าเป็นการสร้างอุดมมงคลขึ้นในชีวิตของตัวเองในนี้คนเราขนาดญาติพี่น้องยังไม่เอาด้วยคนอื่นจะเกี่ยวข้องก็หาสมาคมก็รู้สึกยังไงอยู่เหมือนกันแหะขนาดญาติพี่น้องเขาเขก็ไม่ช่วยน้าประสาอะไรากับคนอื่นที่เขาจะช่วยผู้ปรารถนาอุดมมงคลในเรื่องนี้ ก็ออกมานะฮะท่านจะเห็นว่าออกมาจากพ่อแม่บตรพัญญาถามีแล้วก็ออกมาถึงสงเคราะห์เพื่อนบ้านโดยทานแล้วก็ญาติพี่น้องด้วยสงเคราะห์ญาติการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าธรรมะจริยาอนาวัชานิกรรมมานินะเอตมังคลมุตตมังอนาวัชะคือกรรมชี่ไม่มีโทษนะครับ วัชะก็คือโทษอ น, นัววัชะก็คือกรรมที่ไม่มีโทษแต่กรรมที่ไม่มีโทษพูดไปพูดมามันก็กลับพระหาศีลดีกับกระหาศีนอี ก, อาาอกแต่พอดีท่านศีลท่านพูดถึงระดับของธรรมจริยาไปแล้วนะฮะลืมปรกรรมที่มีโทษนั้นโทษประการแรกก็คือโทษในด้านของกฎหมายบ้านเมืองโทษในด้านของศีลธรรมโทษที่จะเป็นเหตุให้ตนบังเกิดในอบาย เราโทษหลายชั้นด้วยกันก็เป็นการวิเคราะห์กรรมกรรมอะไรก็ตามที่มีลักษณะไม่มีโทษก็แค้ทํากรรมนั้นคํำมาโทษก็หมายความว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นมันก็อยู่สูตรนี้ทุกทีก็ยังงดเว้นการกระทําเหล่านั้นแต่เนื่องจากมันมีธรรมจริยามาแล้วเราอยู่ในกลุ่มธรรมจริยาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมาในส่วนนี้ท่านจึงเน้นไปที่อุโบสถกรรมนะฮะ อุสตัตกรรมก็คือการรักษาศีลระดับที่เป็นอุโบสถศีลแต่อย่าลืมว่าไอ้ธรรมจริยามันก็เป็นกรรมไม่มีโทษนะฮะการให้ทานก็เป็นกรรมไม่มีโทษคล้ายๆมาสรุปการมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าไอ้สงเคราะห์ญาติก็อย่าให้ไอ้ทำในลักษณะที่เป็นโทษการเลี้ยงดูบุตรปัญญาไอ้มารดาบิดาก็เหมือนกันต้องทํากรรมที่ไม่ไม่เป็นโทษต่อท่านเหล่านั้นดูเหมือนก็จะมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่ง คล้ายๆกันและคล้ายๆกันสรุปหลักในการปฏิบัติให้บุคคลได้กำหนดได้พิจารณาเพราะต่อต่อไปจะเป็นการพัฒนาจิตแล้วพัฒนาจิตไปเรื่อยๆจนขึ้นไปนนท์มรรคผลนิพพานหายไปเลยพัฒนาจิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในส่วนตัวนะฮะก็เรียกว่าเราทําอะไรละ่ะทำประโยชน์ส่วนตัวในชีวิตปัจจุบันแล้วทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวแก่สังคมในชีวิตปัจจุบันแล้วต่อไปก็เตรียมตัว เตรยตัวที่จะเดินทางไปเดินทางไกลอันยาวนานแล้วก็หาความสุขให้แก่ตนเองในบ้านปลายของชีวิตเพราะงั้นในในช่วงหลังๆจึงจึงเป็นเรื่องพัฒนาจิตของตัวเองในแง่มุมต่างๆตลอดถึงบุคคลอารมณ์เรื่องราวที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์การงานที่ไม่มีโทษที่ท่านเน้นเอาเฉพาะส่วนของของโบสถเตศสีนะฮะ บสตศรินทรท่านจะเห็นว่าที่จริงมันก็เป็นศีลที่ไปเพิ่มอดข้าวเย็นขึ้นมานะฮะก็น่าจะอดใช่บ้างเหมือนกันแหละประหยัดประหยัดเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเกิดขึ้นโดยกุศ ล, ลเจตนาจริงๆก็ท่านแสดงให้เห็นว่าอานิสงค์แข่งของบสุดบสถดเตศรินทรนะฮะก็ที่จริงก็อ อะไรข้อสามก็เปลี่ยนเป็นไม่เกี่ยวข้องทางเพศมาถึงข้อหกก็งัดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการบางคนก็ห่วงใหญ่อย่า ง, งน้กินได้ไหมกินได้หกินได้ไหเเป็นห่วงอะไรไม่นักหนากันไม่รู้กินกินกินที่มันของที่ที่แน่ใจกันแล้วกันนะแต่ว่ากันตามความเป็นจริงในยุคสมัยนี้การรักษาโควิดถึงง่ายๆมากะฮะ ถ้าเรามองดูข้อวิการลโพสมมติว่าหิวขึ้นมาก็มีอะไรเยะน ะ, ะมีเครื่องดื่มมีน้ำตาลมีอะไรอะไรเยอะกินกินพอให้มันบรรเทาความหิวไปแล้วก็นัตจากยีตะวาดีตะวิสูกะดัศนาเวรมณีนี่ยมาลากันถาวิเลปะนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะไม่ค่อยมีอะไรยากเย็น นั่งนอนบทนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นเลยจะมีไปนอนเสือ้อจะมัาาง่งนอนผ้าปูจะมั่าางก็รู้สึกสบายอีกแบบหนึ่งฮะนอนอย่างนั้นอย่งเมืองไทยร้อนๆก็มันจะสนุกนักนอนฟูกนอนเบานอนนอนที่พื้นๆมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งไป น, นอนกลางพื้นดินนะผ้าปูมันก็สุขอีกแบบตึงสัมผัสไอ้ดินก็ดูแลมันก็ไม่ยากอะไร แต่าตั้งใจจะรักษารู้สึกที่ห่วงใยกันมากก็คือข้อวิกานะฮะเป็นห่วงเรื่องกินกระจังแต่ที่จริงก็ไม่ได้นานอะไรนะไม่ได้นานอะไรแล้วก็รับประทานอาหารตอนเที่ยงมากๆหน่อยแต่กลัวจะหิวก็อยู่ได้สบายๆข้อนี้เวลาท่านแสดงท่านไม่แสดงอนิสงส์อุโบสถเต็มรูปนะฮะแสดงอนิสงส์อุโบสถกึ่งหนึ่ง เพืเห็นว่าขนาดกึ่งเดียวนะเนี่ยขนาดกึ่งเดียวยังมีผลมีอันดีสงมากก็เล่าถึงคนยากจนคนหนึ่งก็ไปทํางานอยู่ที่บ้านของเศรษฐีในครอบครัวเศรษฐีนั้นถึงวันพระถึงวันวันปักนะฮะวันปกักก็เดือนละสี่ครั้งไอ้วันธรรมสวรรคะของเราหรือวันอุโบโสถวันปักที่เราเรียกเนี่ยฮะเป็นวันที่ กำหนดฟังธทำปฏิบัติความดีของเขามาตั้งแต่โบราณเป็นคล้ายๆกับเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ก็ถือว่าไอ้ในรอบในรอบเจ็วันเนี่ยมันหยุดทําความดีถ้าเรามองในแนวคริสมันก็แนวนั้นนะฮะพอรอบเจ็ดวันมันก็ทําความดีได้ทีหนึ่งใกล้ๆกับวุ่นวายมามากแล้วก็มาพักทําความดีได้ทีหนึ่งมันก็เป็นสายของเขาสายอ ส, สลามก็มีสายขเขาสายคริสก็มีสายขเขาสายพุทธก็มาเป็นสายมาเลย วันเหล่านี้ถูกกำหนดไว้ก่อนก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็มีคนขขอร้องนะฮะพุทธเจ้าก็รับวันนี้เข้าไปแต่ว่าปรับพิธีจะใหม่นะฮะปรับพิธีจะใหม่ก็ถือเป็นวันบำาสร้างสงความดีกันคนในบ้านนั้นก็กรักษาอุโบสดกันพอดีคนใช้คนเนี้เข้ามาใหม่เขาไม่รู้ แล้วไม่ได้สอบถามใครกลับมาจากทํางานปรากฏว่าไม่มีใครดื่มรับประทานอาหารกันเลยสอบถามทราบความเช่นนั้นแกก็ขอแกบอกว่าแกมาอยู่ในหมู่คนมีสินแกไม่มีสินคนเดียวแกไม่เอาแกเอาด้วยแกรักษาสินด้วยเขาบอกไม่ได้หรอกหิวข้าวมาต้องกินข้าวเสยก่อนค่อยรักษาวันหลังแกบอกไม่ได้แกจะอยู่ไปถึงวันหลังหรือไม่ก็ไม่รู้วันหน้าหรือไม่ก็ไม่รู้แกเอาวันเนี้ยแล้วถามมาได้บุญหรือเปล่าเขาบอกว่าได้เหมือนกันหน่งกึ่งนึง เพราะว่าเวลามันผ่านมาเยอะเสร็จแล้วแกก็รักษาศีลขอศีลในที่นั้นในะที่ฐานศีลในที่นั้นทีนี้คนทํางานมาทั้งวันนะฮะพอตกดึกเขาก็หิวขอพยายามอ้อนบอนให้แกรับประทานไอไอพวกน้ําตาลกรวดอะไรเนี่ยซึ่งจะช่วยบรรเทาความหิวแกก็ไม่ยอมตามคนอื่นรับประทานไม้แกเขาบอกว่าคนอื่นเขาไม่ป่วยเนะี่ยเธอป่วยให้รับประทานแกก็ไม่ยอมในสุดก็ตายแต่ตายก็พยายามรักษากุศลเอาไว้ แ, แล้วก็ไปบันเกิดเป็นรุกเทวดาประจำต้นทสายที่ได้ช่วยเหลือคนในสมัยรัพุท ธ, ธเยอะเลหลีคนหนึ่ง ก, ก็แนวเดียวกันนะฮะแนวเดียวกันชื่ออภัยราชกุมารรักษาศีลกึ่งหนึ่งเหมือนกันอยู่บ้านเศรษฐีเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนกันีกตอนที่คือก่อนแกนจะดับจิตเนี่ย เ, เกิดเห็นขบวนเสด็จของพระราชา เกิดอยากเป็นพระราชาอยากเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วก็ดับจิตด้วยอาสันนกรรมอันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขของอาสันนกรรมนะครับอยากเป็นพระราชาแต่ก็มีแรงดันที่เป็นกุศลก็ทําให้แกไปถือปฏิสนธิในคันของอัครมเหสีนะผิดกับคนก่อนคนก่อนดีกว่าได้เป็นเทพบุตรกบุคนี้ก็ไปเป็นโอรสของพระราชา ต่อมาเป็นคนะระลึกชาติได้เพราะว่าตายในใจที่ผ่องใสามากะระลึกชาติได้ก็เห็นว่าตายแล้วไอ้กแก่นี่มันเกิดโดยบุญนิดเดียดนั่นเองมันเหมือนกับอะไรท่านอุปมาว่าเหมือนกับเอาข้าวกำมือนหนึ่งไปใส่ในไปใส่ในช้างหลวงมันนิดหน่อยดูไม่เห็นก็ทําให้เป็นคนไม่ประมาทรีบทําความดีเก็บรวบรวมความดีเอาไว้ก็เห็นว่าแม้ตัวเองทําขนาดนี้ยังได้ผลขนาดนี้จะทําทมากจะได้ผลขนาดไหนต่อมาก็ได้เป็นพระราชาแทน แทนราชบิดาแต่ท่านก็ทําความดีทั้งอาศัยการอารักชาติได้เนี่ยฮะแต่คนเราถ้าอา ร, รกชาติได้มันจะช่วยอะไรได้มากอาจารย์อมาคนนึงท่านอารักชาติได้แต่ท่านไม่ค่อยพูดใครอารักชาติก็ท่านได้ท่านทําได้ความดีท่านเองคนเนี้ยจนทุกวันอายุต้องหกสิบกว่าแล้วไม่ไม่ไมคิดเหน็ดคิดเหนื่อยเลยงานที่เป็นกุศลอะไรท่านจะช่วยขอท่านเต็มที่เลย แล้วก็ไม่ค่อยคิดในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องแรงอะไรไม่คิดถือถือเป็นบุญเพราะมีความเชื่อมั่นคงในในผลบุญผลกุศลเพราะฉะนั้น อ, อภัยราชกุ ม, มารนี้ก็ก็เหมือนกันเพราะว่าตั้งเกิดระลึกชาติได้ว่าแม้แต่อานิสงค์ของโบสตรกรรมเพียงกึ่งเดียวคือไปรักษาเมื่อตอนเย็นนะใหานเมื่อตอนเย็นก็ไม่กินข้าวตอนกลางคืน แต่ว่าไอ้ช่วงจากเที่ยงจึ ง, จงจึงเวลามันหายประมาณสีหชั่วโมงเนี่ยท่านก็ไม่ได้รักษาแต่ว่าด้ยวยบุญกุศลขนาดนี้ก็ทำให้ท่านมาบังเกิดได้อย่างนี้แล้วทำให้อุตสาหะในการทำกุศลมากยิ่งขึ้น่ซึ่งสรุปรวมว่ากรรมที่ไม่มีโทษนั้นเป็นการวินิจฉัยเอาได้แด่ยครอบคลุมข้อปฏิบัติที่เป็นศีลไว้ทั้งหมด โดยเฉาะศีลหศีลแกุศลกำหนด10บนะฮะจึงเป็นฐานในกา ร, รปฏิบัติจึงบุคคลจะต้องมองในแง่ว่ามันผิดกฎหมายไหมถ้าอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมไหมบางชีศีลธรรมเราก็ไม่ทราบก็ดูที่ความรู้สึกคือดูที่จิตใจว่าทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไหมทําเราให้เดือดร้อนไหม แต่บางทีคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนก็ดูที่ใจอีกทีว่าใจเราจะเล่าร้อนไหมมันก็เดินมาได้ตลอดเพราะเรื่องธรรมะอย่างที่บอก ม, ม, มันไม่จำเป็นจะต้องไปจำอะไรมากมายนะถ้าเราจับประเด็นหลักๆไว้ให้ได้เราเข้าใจธรรมะเหล่านั้นเองส่วนชื่อบัญญัติเรียกอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องอาศัยปริยัติข้าช่วย แต่พื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการกระทำนั้นดูที่เอาใจเรานะฮะใจเราเป็นฐานในการเรียนรู้แล้วดูผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำว่าจะมีการกระทบต่อบุคคลอื่นในแง่ไหนถ้ากระทบในแง่ที่เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่เขาด้วยเกือ้อกูลแก่เราด้วยรำนั้นก็ไม่มีโทษแล้วก็หาข้อสรุปในการกระทำได้ทั้งสประการนี้คือการให้ฐานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาต การทำการงานที่ปราศจากโทษหรือไม่มีโทษทรงแสดงว่าเอตมังคลมุตตะมังทั้งสี่ประการนี้ก็เป็นอุดมมงคลอีกชุดหนึ่งสมวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทิด